จุปันนาตีตวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลจากขายตนะมูลกะในสองอยี่สิบเอนุจากขายตนะ ข, ของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายตนะของบุคคลใดเคยดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักผูกเกิดไม่ได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กาลังเกิดบุคคลผู้มีจักผูเกิดได้กำลังอุบัติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดปัจจุบันนบุจช้าและอตีตะบุจช้าในอุปาทวาระท่านจำแนกไว้แล้วฉันใด ในอุปาทิโรทวาระก็พึงจำแนกทั้งอนุโลมและปัจจีกะฉันนั้น 5. ปัจจุปันนานาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจากคายตนะมูลกะในสองออนุจากคายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหม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 อนุจากขายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิปชิมพระวิกรบุคคลผู้กํา <okay> ลังอุบัติในรูปาวจรภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลนอกนี้ผู้มีจักขูกเกิดได้กําลังอุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและคานายตนะก็จักดับปฏิ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 จักขายยตนะของบุคคลใดกำลังเกิดรูปายยตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปติรูปายยตนะของบุคคลใดจักดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักรขวเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปายยตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายยตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขวเกิดได้กำลังอุบัติ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 มนายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตระนไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขุเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะนของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตระนก็กำลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดทามายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปติทามายตระของบุคคลใดจักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหม วิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและจักขายตนะก็กําลังเกิดสองอสสออนุขานายตนะของบุคคลใดกําลังเกิดรูปายตนะมนายตนะ ธรรมายจตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปติธรรมายจตณะของบุคคลใดจักดับคานยจตณะของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติธรรมายจตณะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่คานยตณะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กําลังอุบัติ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและคานายตนะก็กำลังเกิด23งอ น, นุรูปลายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจักดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กมลังจุติ และบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติทรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจากดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นจากดับและรูปายตนะก็กำลังเกิดสองอสสาอนุมนายตนะของบุคคลใดกำลังเกิดทำมายตนะของบุคคลอนุโลมโอกาส ทำมายัตะนะของบุคคลใดจักดับมนยัตะนะของบุคคล น, นั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติทำมายัตะนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับแต่มนยัตะนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจิตเกิดได้กำลังอุบัรรติทำมายาตนะของบุคคลเหล่านั้นจักดับและมนยาตะนะก็กาลังเกิด จากข้ายตนะมูลกาศในสองอสามสอนุจากข้ายตนะในภูมิใดกำลังเกิดอนุโลมปุขะโลกาสจากข้ายตนะมูลกะในสองอสิหอนุจากข้ายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิโสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ จากขายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิโสตายาตนาของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จากขายาตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขูเกิดแต้กำลังอุบัติโสตายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจากขายาตนะก็กำลังเกิด อนุจากขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดคานายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปราวจรภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่คานายยตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กําลังอุบัติในกาม า, า, าวจรภูมิจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและคานายยตนะก็จักดับ ติ <asthma> คาในยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจากขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากการมวจรภูมิและบุคคลผู้มีจักขูกเกิดไม่ได้กําลังอุบัติในการมวจรภูมิคาในยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จากขายยตนะไม่ใช่กําลังเกิดบุคคลผู้มีจักขูกเกิดได้กําลังอุบัติในกามวจรภูมิ คาในยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายยตนะก็กําลังเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดรูปลายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปลายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับจักขายยตนาของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวักรภูมิ บุคคลผู้มีจักผูกเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาศนิสสตภูมิรูปยายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักผูกเกิดได้กำลังอุบัติรูปยายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมดิดกำลังเกิด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 แต่จักขายยตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักขูเกิดได้กำลังอุบัติมนายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายยตนะก็กำลังเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดทำนมยยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิทำนมยยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ จักขายัจนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจักผูเกิดไม่ได้กำลังอุบัติทำมายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่จักขายัจนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีจักผูเกิดได้กำลังอุบัติทำมายัจนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและจักขายันะก็กำลังเกิดจักขายันาโลกะในจ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 บุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวรจรภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัตริรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคานายตนะก็กำลังเกิดอ น, นุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด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 มานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่คานายตนะไม่ใ <tur> ช <inander> ่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคานายตนะก็กำลังเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับ คานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้กำลังอุบัติทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่คาในยตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังอุบัติทำมายตนของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและคานยตนะก็กาลังเกิดคานยตนาโลกะในจก รูปายตนะมูลกะในสองร้อยสาสบเจดอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดมณายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังอุบัติในอาศัญยาัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกำลังเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักดับบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจวกรภูมิ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 บุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิมนายทะนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปายทะนะก็กำลังเกิดอนุรูปายทะนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิดธรรมยทะนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรมมมรมยทะนะของบุคคลใดในภูมิใดจักดับรูปายทะนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติทำมยนตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจากดับแต่รูปายตนะไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้มีรูปเกิดได้กำลังอุบัติทำมายนตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจากดับและรูปายตนะก็กำลังเกิดสองร้อยสมสิบแนุมัณตนะของบุคคลใดในภูมิใดกำลังเกิด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 ธรรมยายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและม น, นายตนะก็กําลังเกิดปัจจเนกา บ, บุคคลจากขายตนะมูลกะในสองอสาสิบเอนุจากขายตนะ ข, ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้มีจักผุเกิดไม่ได้กําลังอุบัติ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดไดโสตายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปริญิพานในปัญจะโวการภูมิปัดชิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในอรูปภูมิและปริญิพานซึ่งกําลังจุติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่จักดับปาฏิโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ จากคายตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุตติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังเปรินิพานในปัญจโวักรภูมิ ปัดฉิมพวิกรบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิคานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิ ปัดฉิมพวิกระบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่จกักกายตนะไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมพวิกระบุคคลในรูปภูมิและบุคคลเหล่ า, าใดจักอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับ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 ปัดจิมพวิกระบุคคลในอรู ป, ปภูมิและบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรู ป, ปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปลายยตนะก็ไม่ใช่จากดับปาฏิรูปลายยตนะของบุคคลใดวิใช่อนุจากขายยตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมันายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นไม่ใช่จากดับใช่ไหม วิบุคคลทั้งหมดผู้กํำลังจุติและบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กําลังอุบัติจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและธรรมยตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดวิใช่จักขายตนะมูลกะในจก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 ปัดฉพวิกะบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติค่านายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดและรูปายัตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิรูปายทะนะของบุคคลใดวิใช่อนุค่านายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมานายทะนะาทำมายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหม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 รูปรายตนะมูลกะในสอง้อยสี่สิบเอ็ดอนุรูปรายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมุวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังอุบัติรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพาน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 สองอสสิบสาอนุจากคายยตนะในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดปัจจเนกาบุขโอกาสจากคายยตนาโมลกะในสองอสี่สิบสี่อนุจากคายตาาายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิ และบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังอุบัติในกามวจรภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสต ภ, ภูมิและอรูภูมิจกักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและโสตายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิ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 จักคายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผ s, <S ู้กำลังปรินิพานในกามปวจรภูมิบุคคลผู้กำลังจุติจากรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิและอรูปภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและคานายตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับ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 บุคคลผู้กำลังเปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสันยสัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่จักดับปาฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด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 ทำมายตนะของบุคคลใดในภูม e ิใดไม่ใช่จ no. ักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่จากขายตนะมูลกะาในจบคานายตนะมูลกะาในสองอสี่สิห้าอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิ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 แต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กำลังไปริพานค่านายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมยตนะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิดไม่ใช่จักดับค่านายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ค่านายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะใน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 รูปายัตนาไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญัตตภูมิมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักดับและร im <im> ูปายัตนะก็ไม่ใช่กําลังเกิดอนุรูปายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดธรรมายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติ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 วิใช่สอง้อสี่สิบเจ็ดอนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดธรรมายะตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังอุบัติมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่ก <kidding? S 2> ำลังเกิดแต่ธรรมายะตนะไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กาลังปริยิพาน มานายัตณะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและธรรมยัตนณะก็ไม่ใช่จักดับปฏิธรรมยัตยณะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักดับมานายัตนณะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่หอติตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล จักขายยตนาโมลกะในสองอยสี่อนุจักขายยตนะของบุคคลใดเคยเกิดโสตายตนะของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปัดฉิมภวิกะบุคคลในอรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในอรูปภูมิและปรินิพานซึ่งกำลังจุติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่โสตายตนะไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้จากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสตายตนะก็จักดับปฏิโสตายตนะของบุคคลใดจักดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อติตะปุจฉาและอนัคตะปุจฉาในนิโรธวาระคำที่ท่านกล่าวไว้ว่าของบุคคลใดก็ดีในภูมิใดก็ดีของบุคคลใดในภูมิใดก็ดี ท่านจำแนกไว้แล้วทั้งอนุโลมและปัจจนิกะฉันใดแม้ในอุปาทานิโรทวาระก็พึงจำแนกฉันนั้นอุปาทานิโรทวาระจบปปวติวาระจบ